หัวข้อว่าท่อนไม้มีความว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงดาริจะทดลองมโหสถบัณฑิตจึงให้นำท่อนไม้ตะเคียนมาให้ตัดเอาเพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงกลึงให้ดีแล้วให้ส่งไปยังชาวบ้านปาจินะยวะมชคามด้วยพระราชานัดว่าชาวบ้านปาจินะยวะมชคามจงแจ้งว่า ท่อนไม้ตะเคียนนี้ข้างนี้ปลายข้างนี้โคนถ้าไม่มีใครรู้จะปรับไหมพันกระหาปณะนะชาวบ้านประชุมกันเมื่อไม่อาจจะรู้ได้จึงบอกแกท่านสิริวัฒกะเศรษฐีว่าบางทีมโหสถบัณฑิตจะรู้ขอให้เรียกเขามาถามท่านมหาเศรษฐีก็ให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาแต่สนามเล่นบอกเนื้อความนั้นแล้วถามว่า พวกเราไม่อาจจะรู้ปัญหานี้พ่ออาจจะรู้บ้างไหมพระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชาจะต้องพระประสงค์ด้วยปลายหรือโคนของไม้ตะเคียนท่อนนี้ก็หาไม่ประทานไม้ตะเคียนท่อนนี้มาเพื่อจะทดลองเราจึงกล่าวว่านำมาเถิดพ่อข้าพเจ้าจะรู้เรื่องนั้นลำดับนั้น ท่านเศรษฐีให้นำท่อนไม้ตะเคียนมาให้แกมโหสดบัณฑิตพระโพธิสัตว์รับท่อนไม้ตะเคียนนั้นด้วยมือเท่านั้นก็รู้ได้ว่าข้างนี้ปลายข้างนี้โคนแม้รู้อยู่ก็ให้นำภาชนะน้ํามาเพื่อกาหนดใจของมหาชนแล้วเอาได้ผูกตรงกลางของท่อนไม้ตะเคียนถือปลายได้ไว้วางท่อนไม้ตะเคียนบนน้ํา พอวางเท่านั้นโคนก็จมลงก่อนเพราะหนักแต่นั้นพระมหาสัตว์จินถามมหาชนว่าธรรมดาต้นไม้โคนหนักหรือปลายหนักเมื่อมหาชนตอบว่าโคนหนักจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นส่วนของไม้ตะเคียนท่อนนี้จมลงก่อนจึงเป็นโคนและบอกปลายและโคนด้วยสัญญานี้ชาวบ้านส่งข่าวทูลพระราชาว่า ข้างนี้ปลายข้างนี้โคนพระราชาทรงยินดีตรัสถามว่าใครรู้เมื่อชาวบ้านกราบทูลว่ามโหสถบัณฑิตปุจริวัตกะเศรษฐีพระเจ้าค่าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสถามว่าท่านอาจารย์เสนกะเราควรนำมโหสถบัณฑิตมาหรือยังเสนกะอาจารย์ทูลว่ารอไว้ก่อน เราจักทดลองด้วยอุบายอื่นอีกพระราชาตรัสว่าดีแล้วท่านเสนกะหัวข้อว่าศีษะมีความว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นำศีรษะสองศีรษะคือศีรษะหญิงและศีรษะชายมาแล้วส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนนายวัมาชามทำนายพระราชานัดว่า ชาวบ้านปาจีนะยะมชคามจงรู้ว่านี้ศีสะหญิงนี้ศีสะชายถ้าไม่รู้จะปรับไหมพันกหาปณะนะชาวบ้านเมื่อไม่รู้จึงถามพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์พอเห็นเท่านั้นก็รู้รู้ได้อย่างไรคือแสกในศีสะชายตรงแสกในศีสะหญิงคดมโหสถบัณฑิตแจ้งว่านี้ศีสะหญิง นี้สีสะชายด้วยความรู้ยิ่งนี้ชาวบ้านก็ส่งข่าวกราบทูลแด่พระราชาอีกข้อความที่เหลือเหมือนในอันมีในก่อนนั่นเองหัวข้อว่างูมีความว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นำงูตัวผู้และงูตัวเมีย ม, มาส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนนะยะวะมชคามด้วยพระราชานัดว่า ชาวบ้านปาจินนยวมัชะข่มจงรู้ว่านี้งูตัวผู้นี้งูตัวเมียเมื่อไม่มีใครรู้จะปรับไหมพันกหาปณะนะชาวบ้านเมื่อไม่รู้จึงถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตนั้นพอเห็นเท่านั้นก็รู้ด้วยว่าหางของงูตัวผู้ใหญ่หางของงูตัวเมียเรียวหัวของงูตัวผู้ใหญ่ หัวของงูตัวเมียเรียวยาวในตาของงูตัวผู้ใหญ่ของงูตัวเมียเล็กลวดลายของงูตัวผู้ติดต่อกันลวดลายของงูตัวเมียขาดมโหสถบันดิตแจ้งแก่ชาวบ้านว่านี้งูตัวผู้นี้งูตัวเมียด้วยความรู้ยิ่งเหล่านี้ข้อความที่เหลือมีในดังกล่าวแล้วนั่นแลหัวข้อว่าไก่มีความว่า อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงข่าวไปแก่ชาวบ้านปาจีนญะวะมัมชคามว่าชาวบ้านปาจีนญะวะมัมชคามจงส่งโคตัวผู้อันเป็นมงคลขาวทั้งตัวมีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัวร้องไม่ล่วงสามเวลามาแก่เราถ้าไม่ส่งจะปรับไหมพันกระหาปณะนะ ชาวบ้านเหล่านั้นเมื่อไม่รู้จึงถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าพระราชาให้ส่งไก่ขาวทั้งตัวไปถวายนั่นเองเพราะว่าไก่นั้นชื่อว่ามีเขาที่เท้าเพราะมีเดือยที่เท้าชื่อว่ามีโหนกที่หัวเพราะมีงอนที่หัวชื่อว่าร้องไม่ล่วงสามเวลาเพราะขันสามครั้งฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงส่งไก่มีลักษณะอย่างนี้ไปถวายชาวบ้านเหล่านั้นก็ส่งไปถวายแด่พระราชาพระราชาทรงยินดีหัวข้อว่าแก้วมณีมีความว่าดวงแก้มณีที่เท้าศักกะเทวราชประทานแก่พระเจ้ากุสราชมีอยู่ดวงแก้วมณีนั้นมีโค้งในที่แปดแห่งได้เก่าของดวงแก้วมณีนั้นขาด ไม่มีใครจะสามารถนำได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่เข้าไปวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้ส่งข่าวไปถึงชาวบ้านปาจีนญยวมัมชะขามว่าชาวบ้านปาจีนญยวะมชะามจงนำได้เก่าออกจากดวงแก้วมณีนี้แล้วร้อยได้ใหม่เข้าแทนถ้าร้อยไม่ได้จะปรับไหมพันขหาปณะนะพวกมนุษย์ชาวบ้านไม่สามารถจะนำได้เก่าออก แล้วร้อยได้ใหม่เข้าแทนได้เมื่อไม่สามารถจึงแจ้งแก่มโหสดบัณฑิตมโหสดบัณฑิตกล่าวว่าอย่าวิตกไปเลยแล้วให้นำน้ำพึ่งมาทาช่องแก้วมณีทั้งสองข้างให้ฟันได้ขนสัตว์เอาน้าพึ่งทาปลายได้นั้นร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งวางไว้ในที่มดแดงทั้งหลายจะออก เรามดแดงพากันออกจากที่อยู่ของมันมากินได้เก่าในแก้มนีแล้วไปคาบ ป, ปลายได้ขนสัตว์ใหม่คร่าออกมาทางข้างหนึ่งมโหสดบัณฑิตรู้ว่าได้นั้นเข้าไปแล้วก็ให้แก่ชาวบ้านให้ถวายแด่พระราชาพระราชามีพระดำรัดถามทรงสดับอุบายวิธีให้ได้นั้นเข้าไปได้ทรงยินดีหัวข้อว่า ให้โคตัวผู้ตกลูกมีความว่าได้ยินว่าวันหนึ่งพระราชาตรัสสั่งให้ราชบุรุษให้โคตัวผู้เป็นมงคลเคี้ยกินกุมภาพเป็นอันมากจนท้องโตให้ชำระล้างเขาทั้งสองแล้วทาด้วยน้ำมันให้เอาน้าขมิ้นรดตัวส่งไปยังชาวบ้านนั้นด้วยพระราชาณว่าได้ยินว่าพวกท่านเป็นนักปราด โคตัวผู้มงคลของพระราชานี้ตั้งขันท่านทั้งหลายจงให้โคตัวผู้นี้ตกลูกแล้วส่งกลับไปพร้อมด้วยลูกเมื่อไม่ส่งจะปรับไหมพันกหาปณะนะพวกมนุษย์ชาวบ้านปรึกษากันว่าพวกเราไม่สามารถจะทําได้อย่างนี้จะทําอย่างไรจึงถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงถามว่า พวกท่านจักอาจหาคนที่แกล้าสามารถทูลกับพระราชาได้หรือชาวบ้านตอบว่าเรื่องนั้นไม่หนักใจเลยท่านบัณฑิตถ้าเช่นนั้นจงเรียกเขามาชาวบ้านเหล่านั้นเรียกเขามาแล้วลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกับเขาว่าท่านจงสยายผมของท่านไว้ข้างหลังแล้วคร่าครวญใหญ่มีประการต่างๆ สู่ทวารพระราชนิเวศใครถามอย่าตอบคร่าครวญเรื่อยไปพระราชาตรัสเรียกมาถามเหตุที่เทวนาการจงถวายบังคมแล้วทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพบิดาของข้าพระองค์ไม่อาจจะคลอดบุตรวันนี้เป็นวันครบเจ็ดขอส ม, มุติเทพทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์โปรดทรงทาอุบายที่จะคลอดบุตรแก่บิดาของข้าพระองค์ เมื่อพระราชาตรัสว่าคนคลั่งอะไรข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ธรรมดาบุรุษคลอดบุตรมีหรือจงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าว่าอย่างนี้มีไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านปาจินนะยะวะมชคคมจะยังมงคลอสุภะให้ตกลูกได้อย่างไรบุรุษนั้นรับคำจะทำตามที่สั่งนั้นได้ ก็ได้ทำไปอย่างนั้นพระราชาทรงสดับคําบุรุษนั้นตรัสถามว่าย้อนปัญหานี้ใครคิดได้ทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตคิดก็โปรโดปรานหัวข้อว่าข้ามีความว่าในวันอื่นอีกพระราชาทรงดำริว่าเราจักทดลองมโหสถจึงให้ทรงข่าวไปว่าได้ยินว่า ชาวบ้านปาจีนณยาวมัชะคมเป็นคนฉลาดชาวบ้านนั้นจงหุงข้าวเปรี้ยวให้ประกอบด้วยองแปดมาให้เราองแปดนั้นคือไม่ให้หุงด้วยข้าวสารไม่ให้หุงด้วยน้ําไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าวไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าวไม่ให้หุงด้วยไฟไม่ให้หุงด้วยฟืนไม่ให้หญิงหรือชายยกมาไม่ให้นํามาส่งโดยทาง พวกนั้นส่งมาไม่ได้จะปรับไหมพันกระหาปณะพวกชาวบ้านหารู้เหตุไม่จึงแจ้งแกมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าอย่าตกใจไปเลยแล้วชี้ให้เห็นว่าให้หุงด้วยข้าวแหลกอันไม่ชื่อว่าข้าวสารให้หุงด้วยน้ําค้างอันไม่ชื่อว่าน้ําปกติให้หุงด้วยภาชนะดินใหม่อันไม่ชื่อว่าหม้อข้าว ให้ตอกตอไม้ตั้งภาชนะนั้นหุงอันไม่ชื่อว่าหุงด้วยเตาให้หุงด้วยไฟที่สีกันเกิดขึ้นอันไม่ชื่อว่าไฟปกติให้หุงด้วยใบไม้อันไม่ชื่อว่าฟืนชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวแล้วบรรจุในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประทับตราอย่าให้หญิงหรือชายยกไปให้กระเทยยกไปไปโดยทางน้อยและทางใหญ่ อันชื่อว่าไม่มาโดยทางทรงข้าเห็นปานดังนี้ไปถวายพระราชาชาวบ้านได้ทำตามในนั้นพระราชาทบพระเนรเห็นกิริยานั้นจึงตรัสถามว่าปัญหานี้ใครรู้ทรงทราบว่ามโหสดรู้ก็โปรดปราน